hmm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 เพราะจากที่เราสวนมาเราก็จะรู้ว่าเนี่ยต้นเรื่องดี่มาจากเทวดาคนถามว่าอะไรที่จะทำให้มนุษย์และเทวดาเนี่ยประสบความสุขความเจริญแล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้กล่าวตอบเนี่ยซึ่งเรียกว่ามงคล38ปประการเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าใช้ได้ทั้งกับมนุษย์แล้วก็เทวดาด้วย เทวดาเนี่ยนะก็มีฤทธิ์นะแล้วก็มีอาหารทิพต์นะมีสิ่งที่เป็นทิพมากมายก็น่าจะมีความสุขนะมีความเจริญได้แต่ถ้าเราพิจารณานนะจากม ง, งคลสูรนี่ก็จะได้แง่คิดว่าแม้แต่เทวดาเนี่ยถ้าต้องการความสุขความเจริญเนี่ยไอเพียงแค่อาหารทิพหรือว่า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 มงคลสานี่มันคนละเรื่องกับวัตถุมงคลนะวัตถุมงคลนี่เพียงแค่มีเงินนะก็หาซื้อมาได้ล้วแต่ว่ามงคล38เนี่ยมันต้องลงมือทำนะเริ่มตั้งแต่การไม่คบนะคนพาลหรือไม่คบคนชั่วการครบบัณฑิตหรือคบคนดีการบูชาบุคคลควรบูชาอันนี้เป็นเรื่องการกระทำํำนะ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 วงกล3 8เนี่ยถ้าจะสรุปย่อยๆเนี่ยก็เหลือแค่สามนะก็คือไม่ทำชั่วนะทำความดีนะแล้วก็ทำจิตชำระใจนะให้ขาวผ่องนะหรือว่าขาวรอบอันนี้ก็เป็นสามประการในโอวาทปาติโมก์อยู่แล้วนะรวมแล้วเนี่ยก็มีแค่สามนี่แหละนั่นก็หมายความว่า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 เพราะวางใจไม่ถูกก็เลยกลายเป็นหาทุกข์ใส่ตัวเป็นการทำร้ายตัวเองอันนี้เป็นการาทำกับตัว เ, เหมือนกับเป็นศัตรูนะอีกแบบหนึ่งนะถึงแม้จะไม่ได้ทำผิดศีลไม่ได้ทำชั่วแต่ก็ทำร้ายจิตใจของตัวเพราะวางใจไม่ถูกวางใจไม่เป็นอดิพาไปแล้วก็นะ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 ถามว่าเกิดขึ้นยังยังไม่เกิดนะแต่พอคิดไปเนี่ใจมันก็หงุดหงิดกระวนกระวายขึ้นมาทันทีคนเรานี่ชอบทำร้ายตัวเองบ่อยนะเวลารถติดนะแทนที่จะเสียเวลาอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าสติก็เสียไปด้วยเวลาของหายเออก็ยังคิดถึงของที่หายนะเสร็จแล้วเป็นไงกลุ่มอกอกลุ่มใจบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับ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 ยัดเยียดความทุกข์ให้กับจิตใจเราได้ใอ้ความทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะถ้าพูดง่ายๆคือเราทําเองเราทําเองนะใครก็จะทําเรากับเราอย่างไรเขาจะด่าเราอย่างไงเนี่ยก็ไม่สามารถจะยัดเยียดความทุกข์ใจให้กับเราได้ไม่สามารถจะยัดเยียดความโกรธแค้นให้กับเราได้ถ้าความโกรธแค้นจะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะใจของเรา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 จีนนี่เข้าไปยึดที่เบตนะเมื่อ50เกือบ0ปีที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะบังคับให้พระเนี่ยนะสอนหรือเผยแผ่ศาสนาของเขาคือศาสนาคอมมิวนิสต์พระหลายลูกก็ไม่ยอมพอไม่ยอมก็เลยถูกจับเข้าคุกแล้วก็ถูกทรมานอย่างพระรูปเนี่ยชื่อท่านเกดุลเนี่ยด็กคุก20ปี ระหวางทิติ์คุกก็ทรบทุกทรมานเนี่ยอย่างรุนแรงนี่หลายครั้งท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดความเชื่อของท่านก็คื อ, อยังเป็นพระอยู่ยังมีศรัทธาในพระตัตนาไตรไม่ได้สมาทานรัติคมนิสตอนหลังพอเข้าว่าท่านไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรก็เลยปล่อยและท่านก็เลยหนีนะรีภัยมาอยู่อินเดียทาราะมะนะได้พบท่านพระ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 ท่ารู้ว่ า, าท่านโกรธเกลียดเมื่อไหร่เนี่ยใจยท่านจะเป็นทุกข์ทันทีเลยทหารจีนเนี่ยก็ทําได้อย่างมากก็คือทรมานทําร้ายร่างกายท่านแต่ไม่สามารถจะทำให้จิตใจท่านเป็นทุกข์ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านโกรธเกลียดหรือปล่อยให้ความโกรธเกลีย์เครียดแค้นคลองใจเมื่อไหร่ความทุกข์ใจเกิดขึ้นทันทีและท่านก็รู้ว่าในยามนั้นเนี่ย ไม่ควรจะซ้าเติมตัวเองนะถูกทำร้ายร่างกายนี้ก็พอแล้วนะไม่ควรจะปล่อยให้จิตใจเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือว่าย่าแย่ไปด้วยนะเพรา ะ, ะนั้นท่านก็เลยกลัวนะกลัวว่าโกรธเกลีกยดเกิดขึ้นเมนื่อไหร่นี่ฉันแย่แน่เลยอันนี้เรียกว่าท่านรู้จักวางใจนะแล้วก็เป็นเครื่องชี้ว่าคนอื่นเนี่ยทำได้อย่างมากก็ทำร้ายร่างกายเรา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 นะสูญเสียคนรักสูญเสียของรักถูกกระทาย่ายีนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลจิตใจของตัวเองให้ดียางอื่นนี่เราคุมได้ยากนะนะเราจะควบคุมให้หรือเรียกร้องให้เขาทำดีกับเราพูดดีกับเรา <c oughs> ก็ทำได้กับบางคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนส่วนใหญ่ล้วก็ควบคุม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 พอถึงมาพูดส่งเสียงดังตรงนี้หรือว่าทําไมถึงเปิดพิทีวเสียงดังนมันมีคําว่าทําไมนะหรือมันมีคําว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมาะส่งเสียงดังตรงนี้เลยนะีพอเราคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาทันทีความทุกข์ใจมันมักจะเกิดที่ที่ความคิดก่อนแล้วก็มักจะเกิดจากการที่หลงคิดเผลอคิดไปในสิ่งที่มันเป็นทั่วกับจิตใจตัวเอง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 ถึงตอนนั้นก็จะไม่มีการซ้ำเติมตัวเองแล้วมีแต่จะหาทางเยียวยากแก้ไขตัวเองนพยายามวางใจแบบนี้นะเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเราเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดอนิจฐารลมหรือว่าเกิดโลกธรรมฝ่ายลบอนิจฐานลมคือลูกรล่กินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็อันเดียวกับโลกธรรมฝ่ายลบอนะคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนะสารนินทาหรือว่าทุกข